วันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2559เป็นวันหยุดราชการเป็นวันฉาตมงคลเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับพวกเราที่ ได้มีโอกาสมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเพราะการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นการบูชาที่สมควรต่อการบูชาบูชาจะบูชนียานังเอตัมังกาลมุตัมัง การบูชาบุคคลรลอสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งสิ่งที่เราบูชาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยการปฏิบัติบูบชาาะเป็นการบูชาที่แท้จริง การบูชามีสองลักษณะด้วยกัน 1. นึงคืออามิสบูชาสองปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนและการกราบไหว้ส่วนปฏบิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติบูบชานี่แหละที่จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้รับความเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรด้วยความปฏิบัติธรรมน ก่อนที่เราจะปฏิบัติทําได้อย่างถูกต้องเราก็ต้องมีการฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการฟังวิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลนั่นเองถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้เราปฏิบัติให้ถูกต้อง เมื่อเราปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาหรือผลที่เราปรารถนาก็จะไม่เกิดอาจจะเกิดที่เกิดผลที่เราไม่ปรารถนาก็ได้ถ้าเราปฏิบัติผิดเช่นการ เ, เหมือนกับการเดินทางถ้าเราเดินผิดทางเราก็จะไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกัน เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราไม่ต้องการไปดังนั้นสิ่งแรกในการบูชาของการบูชาของการปฏิบัติบูบชาก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราได้ศึกษาวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว เราก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ปฏิบัติการศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เราได้รับผลที่เราปรารถนากันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งการศึกษาวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนที่ได้ศึกษามาเมื่อได้ศึกษ ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของความเป็นมงคลอย่างยิ่งคือการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชานี้เป็นการกระทำที่ไม่มีผู้อื่น กระทำแทนให้กับเราได้พ่อแม่ทำให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทำกันเองเราต้องเป็นผู้ศึกษาเองแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเพราะเราจะเป็นผู้รับผลเองนั่นเองดังนั้นอย่าไปคิดว่าการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่การไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันแต่หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติให้กับเราไม่มีหน้าที่เรียนให้กับเรา ไม่มีหน้าที่รับผลให้กับเราพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่บอกทางให้กับเราบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเราดัางนั้นเราได้เข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า และของพระอ า, ารันตสาวกทั้งหลายว่าเป็นวิธีการสู่การดุดพ้นจากความทุกข์สู่การดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราอย่าไปเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติเราอยากจะได้ผลกันแต่พอเราเห็นวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติของพระอ า, ารันตสาวก เราก็ยกธงขาวไม่ยอมปฏิบัติตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่สามารถรับผลที่ท่านได้รับกันเพราะผลนั้นเกิดจากการปฏิบัติที่ท่านได้ปฏิบัติกันท่านปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติ ด, ด้วยการละ ตัณหาความอยากต่างๆท่านเคยเป็นผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราเคยติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับพวกเราแต่หลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขหลอกลวง เป็นความสุขที่หลอกล่อให้เราติดอยู่กับความอยู่กับกองทุกข์เพราะความสุขที่เราได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วก็หายไปพอหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่การหาความสุขแบบนี้จึงเท่ากับการเป็นการหาความทุกข์ เพราะจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าร่างกายที่เราใช้ในเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นความเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรร่างกายนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปพอร่างกายแก่เจ็บ ตาก็จะไม่หาความไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เมื่อไม่สามารถหาความสุขได้ก็ต้องอยู่กับความทุกข์หลังจากที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้เห็นความแก่ความเจ็บความตายที่คืบคลานเข้ามาก็เลยเห็นว่าการ หาความสุขทางร่างกายนี้ในบ้านปลายก็จะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนจึงหาทางออกกันหาวิธีที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้เห็นพวกนักบวชที่เขาสละการหาความสุขทางร่างกายแล้วไปหาความสุข ด้วยการใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือหาความสุขหาความสุขทางใจทําใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงผู้ที่ปรารถนาะความสุขทางใจจําเป็นที่จะต้องตัดความสุขทางร่างกายไปเพราะ เป็นการเดินทางไปคนละทางกันคนละทิศกันไม่สามารถไปด้วยกันได้ถ้าอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกา ย, ย, ยก็จะไม่สามารถได้ความสุขทางใจถ้าอยากจะได้ความสุขทางใจก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายได้ ท่านจึงสละการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วก็ออกบําเพ็ญอยู่แบบนักบวชคําว่านักบวชก็คือการออกจากกามนั่นเองคือเรียกว่าเนคขมะเนคขมะบารมีเนคขมะนี่แปลว่าการออกจากกามมาสุข การยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายผู้ที่เป็นนักบวชนี้เขายุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายด้วยการรักษาศีลเช่นศีลแปดเป็นต้นไม่หาความสุขทางร่างกายด้วยการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานเพียงมื้อเดียวหรือรับประทานถึงเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากเที่ยงวันก็จะไม่มีการรับประทานอาหารอีกต่อไปละเว้นจากการหาความสุขจากตะทางตาหูจมูกเลี้ยกายเช่นการดูมหัศรศ<ม>การฟัง พวกบันเทิงต่างๆละเว้นจากการเสริมความงามของร่างกายไม่ต้องการได้ความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายเพราะเป็นความสุขประเดียวปดาวเป็นความสุขปลอมแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไป ร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนถ้าเวลาร่างกายอ่อนเพลียมากๆร่างกายก็จะนอนหลับไม่ว่าจะนอนอยู่ในที่ใดจะนอนบนฟูกนนนะหนาๆเรื่อนอนบนพื้นแข็งๆก็นอนหลับได้เหมือนกันเวลาที่ร่างกายเหนื่อยต้องการจะหลับจะนอนแต่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา ถ้านอนบนฟูกเนะนะั่นนาก็จะเกิดความอยากที่จะนอนต่อเพราะมันมีความสุขความสบายเป็นการหาความสุขทางร่างกายอีกแบบหนึง่งคือการนอนบนฟูกเนั่นนะนะผู้ที่ไม่ต้องการหาความสุขทางร่างกายก็จะเป็นจะต้องนอนบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไป พอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอตอบความต้องการแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพเพราะตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะไม่สบายนอนบนพื้นแข็งๆนี่มันไม่สุขไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนมาเอาความสุขทางใจแทนนี่คือการออกบวชในขัมบารมีการละ การละการหาความสุขทางกามคุณทั้ง5คือตาหูจมูกนิ้งกายรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพระไม่หาความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้จะต้องกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายได้ให้มาหาความสุขทางใจด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลานับตั้งแต่เตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับให้สติควบคุมใจคือควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปื่อยไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส พ, ทพุทธะเพราะเวลาที่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะพอเกิดความอยากแล้วไม่ได้เสบก็จะเกิดความ ไม่สบายใจขึ้นมาจนทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวก็ต้องไปเสพพอได้เสพความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราวพอไปคิดถึงความรูปเสียงกิน่นรสผดจะพัดอกความอยากจะเสพก็จะโผล่กลับขึ้นมาอีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันแก่วันเจ็บวันตายจนวันที่ไม่สามารถที่จะ ทำตามความอยากได้พอไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็มีแต่ความทุกข์ขมขื่นอยู่ในใจถ้ามีมากๆไม่รู้จักวิธีระงับก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายคนที่เคยมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ ก็จะไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายกันเพราะเห็นว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่รู้อยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าแต่การฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นแก้แกปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่กามตัณหาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าจะฆ่าไม่ต้องไปต้องไปฆ่าที่กามตัณหา ค่าที่ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางแต่การไปแก้การไปฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาใจอย่างใดเพราะการมรตันหาไม่ได้ตายไปกับร่างกายการมรตันหาอยู่ในใจอยู่ติดอยู่กับใจเวลาร่างกายตายไปใจแยกออกจากร่างกาย กามมาตัญหาก็ไปกับใจเป็นตัวที่ฝักงยันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายอันใหม่ไว้หาความสุขทางตาหูจันทจะหกลิ้นกายใหม่นี่วิธีการฆ่าตัวตายจึงไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาขอให้พวกเราชาวพุทธจำไว้ให้ดีเวลามีปัญหาอย่าไปฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายไม่ได้แก้ปัญหาที่สิ่งที่จะต้องค่าก็คือตัณหาความอยากต่างๆเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายก็คือความอยากทั้งสามประการนี้คืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะเรียกว่าการมัตตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บุคคลนั้น บุคคลนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวัตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นีน่คือตัณหาที่จะตอดิตความทุกข์ทรมานให้แก่ใจของพวกเรา เวลาที่เรามีความทุกข์ทรมานใจ <c oughs> เราอย่าไปฆ่าใครคนที่ทำให้เราทุกข์นั้นอย่าไปฆ่าตัวเราเราก็อย่าไปฆ่าเหมือนคนบางคนโกรธเกลียดคนค น, คนหนึ่งถึงกลับไปฆ่าเขาฆ่าเขาแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองเพราะกลัวจะต้องไปรับโทษจากการไปฆ่าผู้อื่นแต่ตัวที่ทําให้เราทุกข์ทรมานใจยังไม่ได้ถูกฆ่า ก็คือตัวอยากความอยากอยากให้คนที่เราฆ่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้เราไม่ต้องมาเจอกับโทษที่เกิดจากการฆ่าผู้อื่นอันนี้การฆ่าผู้อื่นการฆ่าตัวเหล่านี้ไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเรียกว่าเกาไม่ถูกจุดเกาไม่เก า, ไ ม, เกาไม่เกาในที่มันขันไปเกาในที่มันไม่ขัน ที่มันคันก็คือใจของเราคือตัณหาความอยากของเราเราต้องมาฆ่าตัณหาความอยากของเราฆ่ากามตัณหาฆ่าพวตตัณหาและฆ่าวิภวะตัณหาถ้าเราฆ่าสามตัวนี้ได้แล้วใจของเรานี้จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตตะสาวกทั้งหลาย หลังจากที่ท่านสละเลือนสละการคลองเรือนสละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วท่านก็มารักษาสิ่อย่างอย่างเคร่งครัดไม่ยอมให้ใจนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจไม่ให้คิด หยุอความคิดปรุงแต่งด้วยสติสติถ้ายังไม่มีกําลังก็ต้องใช้อุบายของสติสร้างขึ้นมาอุบายของสติก็คือกรรมฐานสี่สิบชนิดแต่เราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้กรรมฐานทั้งสี่สิบชนิดเวลาเราเจริญสติเราใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งกรรมฐานสี่นี้ก็เป็นเหมือนอาหารสี่สชนิด เวลาเราไปล้านอาหารเราไม่สั่งอาหารมาทั้งร้านเพื่อมารับประทานเราก็เลือกสั่งอาหารที่เราชอบที่เหมาะกับความต้องการของเราเราสั่งอาหารชนิดเดียวเราก็สามารถที่จะรับประทานให้ร่างกายของเราอิ่มได้ฉันใดเวลาที่เราจะใช้อุบายของสติสร้างสติขึ้นมาสติคือทาที่จะหยุดความคิดปรุงแต่ง ทที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมานี้ไม่ใช่อุบายสี่สิบชนิดไม่ใช่ทำไม่ใช่กรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบเป็นเพียงอุบายหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างสติขึ้นมาเช่นถ้าเราจะเริญนพุทธานุสติเราก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธ การบริการพุทธโธนี้เป็นการสร้างสติไม่ใช่ตัวสติถ้าเราไม่ยังไม่มีสติยังไม่มีความกําลังที่จะหยุดความคิดตุ่มแต่ยังไม่มีกําลังที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความสงบได้เราก็ต้องหาอุบายใช้เครื่องมือสร้างสติขึ้นมากรรมฐานสี่สิทเช่นพุทธานุสตินี้ก็เป็นเครื่องมือ สร้างสติขึ้นมาชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละคนนี้ก็ไม่จำไม่อาจไม่จเป็นว่าจะต้องใช้พุโทโธกันไปทุกคนบางคนก็ใช้อนาปนาสติบางคนก็ใช้มรณาโนสติบางคนก็ใช้กายะกะตาสติหรือในคนคนเดียวกันก็อาจจะมีการสลับใช้กันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของจิตใจในตอนนั้น ความเหมาะสมของการกระทำของร่างกายเช่นบางคนเวลาทำอะไรก็มีสติจดจอ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายพอเวลานั่งก็มีสติจดจอ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าเวลาที่นั่งเฉยๆนี่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวก็เลยไม่มีอะไรให้เข้าดูให้จดจอ่อ ก็มีแต่ลมหายใจเข้าออกที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเป็นอุบายการสร้างสติขึ้นมาเพราะถ้ามีการจดจ่อเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ได้เพราะใจจะต้องดูลมหายใจดูว่ากาลังหายใจเข้าหรือหายใจออกดูว่าลมละเอียดหรือลมยา ดูว่าลมหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมลมนี้เป็นที่ทำงานของใจเมื่อใจต้องอยู่ที่ลมยบใจก็จะไม่สามารถไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพได้เมื่อไม่ไปที่รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ตันหาความอยากคือกามะตันหาก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีการะตันหาใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเย็นสบาย นี่คือเรื่องของการสร้างสติการที่จะทำให้ใจสงบให้มีความสุขให้มีอุเบกขานีจาเป็นที่จะต้องสร้างด้วยสติมีสติถ้ายังไม่มีสติก็ต้องใช้อุบายของการสร้างสติขึ้นมาต้องสร้างสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยเพราะว่าถ้าเราทุ่มเทเวลาให้กับการสติได้มากเท่าไหร่ สติก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราหมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่ทุกวันทุกวันต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วถ้าเรานานๆจะมารดน้ำพรวนดินสักครั้งหนึ่งต้นไม้ก็อาจจะตายได้เพราะว่าขาดกา ร, รทานุบำรุง ดูแลรักษาการเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติอย่างต่อเนื่องถ้ามีการสร้างสติอย่างต่อเนื่องต่อไปสติก็จะมีกําลังที่จะหยุดความคิดตุ่งแตกหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้พอหยุดได้ใจก็จะสงบมีความสุข ไม่ต้องใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเกิดความอยากที่จะเสพนูปเสียงกลิ่นรสทุพข์ก็ใช้สติหยุดความอยากหยุดความคิดพอหยุดได้ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขทางใจก็จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางร่างกายอันนี้สติเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการหยุดชั่วคราวก็ตามแต่ก็เป็นการหยุดที่จำเป็นเพราะเนื่องจากการที่เราจะหยุดความอยากอย่างถาวรได้นี้เราจำเป็นจะต้องมีทมอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาและทมที่เรียกว่าปัญญานี้ จะมาทำลายตันหาความอยากได้ถาวรก็ต้องอาศัยความสงบของใจก่อนถ้าใจไม่สงบนี้ปัญญาจะไม่มีกำลังพอที่จะทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เปรียบเทียบเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดคนไข้ สิ่งแรกที่หมอจะต้องทำก็คือดมยาสลบเพื่อให้คนไข้นี้นอนนิ่งๆเวลาหมอจะผ่าตัดจะได้ไม่ดิ้นเพราะถ้าคนไข้ไม่ไม่สลบเวลาหมอผ่าก็จะเกิดความเจ็บปวดแล้วก็จะดิน้นดิ้นแล้วหมอก็จะไม่สามารถทำการผ่าตัดได้จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ร่างกายนิ่งก่อน ฉั้นใดาการที่จะทำลายตันหาความอยากให้เอาออกไปจากใจได้ในเบื้องต้นก็ต้องทำใจให้นิ่งก่อนถ้าใจไม่นิ่งก็จะไม่สามารถที่จะตัดตันหาความอยากฆ่าตันหาความอยากได้เหมือนกับเวลาที่เราอยากจะจับสัตว์เลี้ยงมาเชือดมาฆ่าเช่นเป็ดไก่เราต้องจับมันมามา ก, ก่อน ถ้ามันยังวิ่งหนีได้เี่เราไปวิ่งไล่จับมันนี้ก็จะจับมันได้ยากฆ่ามันได้ยากดังนั้นก่อนที่เราจะจับมันมาเชือดได้สิ่งแรกเราต้องจับมันมามันผูกกับมัดมือมัดเท้ามันไว้ซะก่อนไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันวิ่งหนีพอมันวิ่งหนีไม่ได้แล้วเราก็ค่อยเอามีดมาเชือดมาฆ่ามัน ฉัในใดตันหาความอยากที่จะใช้ปัญญาข้าแบบ น, นี้จำเป็นจะต้องมีใจที่นิ่งก่อนถ้าใจไม่นิ่งแล้วมันจะไม่ยอมให้เชื่อพิจารณามันจะไม่ยอมให้พิจารณาสิ่งที่จะทำให้มันตายเช่นมันจะไม่ชอบพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่ชอบพิจารณาอาสุภะมันจะชอบพิจารณาแต่สุภะ ชอบพิจารณาแต่นิจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็จะคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็จะว่าสวยงามเห็นคนไหนเห็นใครก็นม่คว่าสวยว่างามไม่นิดว่าเขาจะเป็นอสุภะเห็นอะไรก็ไม่นิดว่าจะเป็นอนิจังทุก ข, ขังอัตตาแต่ถ้าทำใจให้สงบได้ความ ความกำลังของใจที่อยากจะไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาหรือเป็นสุภะสวยงามก็จะไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังที่จะไปคิดในทางของตัณหาความอยากเราก็สามารถที่จะนำเอามาคิดในทางของปัญญาได้พอเรามีกำลังที่จะคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ มีกำลังที่จะคิดถึงอสุภะอยู่เรื่อยๆพอเวลาเกิดตัณหาความอยากได้อะไรขึ้นมาพอเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้มีใครอยากจะได้ความทุกข์บ้างแต่การที่เราไปหาสิ่งต่างๆมาก็เพราะเราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันมาที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้ มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันมาทีหลังเท่านั้นเองเวลาเราได้อะไรมานี้เราจะได้ความเราจะมีความสุขกันอยากได้อะไรพอเราได้มันมาแล้วเราก็มีความสุขกันแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราได้มานี้สักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปพอเวลามันจากเราไปแล้วความสุขก็หายไป สิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ใจนี่คือการมองไม่เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้นี้จะต้องนำความทุกข์มาให้กับเราต่อไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นนิจจังมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเรา เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปนี่คือการพิจารณาปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าที่เราจะสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกาย มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท้งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความสงบใจไม่มีความนิ่งใจมันจะคิดไปแต่ทางตัณหามันก็จะมองเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันจะเห็นด้านเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันมีสองด้านมีสุขมันก็ต้องมีทุกมีเจริญก็ต้องมีเสื่อม แต่เวลาเราอยากได้อะไรนี้เราจะเห็นแต่ด้านเดียวเห็นด้านของความสุขเห็นด้านของความเจริญเราจะมองไม่เห็นของด้านของความทุกข์ด้านของความเสื่อมเราจึงต้องบังคับสอนใจให้มองในด้านของความทุกข์ด้านของความเสื่อมอยากให้มองได้ก็ต้องมีใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะถ้าใจมีอคติไปในทางตัหาความอยากแล้ว มันจะไม่ยมอมงองนนิจจังทุกขังอนัตตามันจะมองแต่สุขขังนิจจังสุขขังอัตตาเพียงอย่างเดียวพอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็อยากได้ไม่กลัวความทุกข์ที่จะตามมาอยากได้อะไรก็จะไปหามาทันทีหามาแล้วมาทุกข์ทีหลังก็ร้องห่มร้องไห้ไปช่วยไม่ได้แล้วสายไปเสียแล้ว เพราะขาดปัญญาปัญญาจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ถ้าไม่ทำใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจไม่สงบนี้ตัณหามีกำลังแรงมากโมหะความหลงมีกำลังแรงมากจะไม่ฟังอะไรจะฟังคำสอนของโมหะของตัณหาว่าดีว่าสุขว่าจเจริญได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาแล้วนี่เรียกว่า ได้ความสุขได้ความเจริญกันไม่เคยมีเวลามานั่งคิดเลยว่าเวลามันเสื่อมมันเป็นอย่างไรเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรเสริญเสือเส่อมความสุขนี้จิตใจเป็นอย่างไรบ้างจิตใจสุขหรือจิตใจทุกเวลานั้นเวลาต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเวลาต้องสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานหรื้อเกียรติยศไป เวลาต้องสูญเสียคําสรรเสริญเยินยอไปเวลาไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เป็นอย่างไรไม่เคยคิดกันคิดว่าจะต้องได้อย่างเดียวจะต้องได้ลาบยศสรรเสริญจะต้องได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันมีขอบมีเขตมี มีการสิ้นสุดร่างกายนี้มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลานั้นก็เป็นเวลาทุกข์ทรมานใจจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายกันนี่คือเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเพื่อให้เราได้ รู้ว่าเราควรจะเดินทางดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางไหนกันตอนนี้เรากําลังเดินอยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายกันแล้วผลที่เกิดจากการหาความสุขเหล่านี้เป็นอย่างไรเรามีความสุขตลอดเวลาหรือเรามากจะมีความทุกข์ตลอดเวลาทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องลาบยศสรรเสริญ รูกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราทุกนี้เรามักจะลืมกันไม่คิดถึงมันคิดแต่ว่ามันจะให้ความสุขเพียงอย่างเดียวเราจึงเป็นคนที่เหมือนกับคนตาบอดเดินไปชนต้นไม้ต้นเดียวนะั่นเดินไปชนอยู่เรื่อยๆเดินไปชนกี่ครั้งก็จำไม่ได้เดินไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดินชนมันอีกเพราะไม่มีตามองไม่เห็นว่ากําลังเดินไปในทิศทางไหน พวกเราก็เดินเข้าหาความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆทุกข์กับเรื่องราบยศเสริสิ์ทุกข์กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเวลาอยากได้เวลาหามันมาก็ทุกข์แล้วกว่าจะได้เงินทองมาแต่ละบาทนี่มันสบายไหมเมันมาแบบฝนตกมาไม่ลองเพียงแต่ฝนตกเราเพียงแต่ลองน้ําฝนกว่าจะได้เงินทองมาแต่ละครั้งนี่ต้องเหนื่อยยากต้องทุกทองรามากับการหาเงินหาทอง พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุก์กับการดูแลรักษาแล้วเวลาใช้มันหมดไปแล้วก็ต้องมาทุกเพราะว่าไม่มีเงินใช้แล้วก็ต้องไปหาใหม่อันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราอยู่กับมันตลอดเวลาจนเราชินกับมันไปจนเราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความมืดบอดของใจ ทีถูกโมหะอวิชาความมืดบอดความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นลงจากเป็นดอกบี้เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันเราอยู่กับความทุกข์ทุกวันแต่เราคิดว่าเรามีความสุขกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกายหน้าพายก็ยังคิดว่าเรามีความสุขกันอยู่ไม่หาทางออกกันไม่ยอมหาทางออกคนจลาดเท่านั้นถึงจะเห็นว่าตนเองนี่อยู่ในกองทุกข์ เช่นพระพุทธเจ้าและพระองลานตัสสาวกทั้งหลายพอท่านเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความเจ็บเห็นความตายที่จะคืบคานเข้ามานี้ท่านเห็นความทุกข์ตามมาอย่างได้ได้อย่างชัดเจนฉันจึงต้องหนีมันไปไม่อยู่กับกองทุกข์ไปหาไปหากองกองสุขอยู่ดีกว่าในสายตาของพวกเรา กองสุขก็กลายเป็นเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์เพราะการจะไปหาความสุขทางใจเราต้องเลือกหาความสุขทางตาหูจมูกลึนกายนั่นเองและการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลึนกายสําหรับพวกเราเนี้ก็เป็นเหมือนกับการหาความถูกสายใจเอล า, าหให้มาอยู่วัดถือศีลแปด น, นี้ไม่มีใครอยากจะมาอยู่เลยแต่ถ้าให้ไปเที่ยว ตามสถานท่องเที่ยวต่างๆนี้แย่งกันไปไม่เชื่อจะลองเปิดเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะไปเที่ยวมาจองที่นั่งกับผู้ที่อยากจะไปอยู่วัดมาจองที่พักหรือว่าจะมีพวกไหนจองกันมากกว่ากันจองไปเที่ยวหรือจองมาอยู่วัดกันนั่นแหละพวกที่จองไปเที่ยวกันจะแสดงว่าเป็นพวกที่มองไม่เห็นความทุกข์กัน พวกที่จองมาอยู่วัดกันนี้แสดงว่าเป็นพวกที่เห็นความทุกข์กันพระอาหารหันต์จึงมีจานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปุถุชนคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราเพราะว่าคนที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่ต้องเป็นวินยูชนเป็นคนฉลาดดังในดังในหลักธรรมคุณที่ทรงแสดงไว้ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ เหมาะกับวินยูชนเท่านั้นคนฉลาดเท่านั้นถึงจะเห็นคุณค่าของคําสอนของพระพุทธเจ้าคนโง่นี่จะไม่เห็นคุณค่าของคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่าเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ทรมานใจการที่จะต้องถือศีลแปดออกบวชนี่พอเห็นปั๊บก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานไม่ได้เห็นว่ามันเป็นการเดินเข้าหาความสุขกัน ยอยู่เวลาที่เราจะหาความสุขทางใจเวลาเราก็ต้องละการหาความสุขทางร่างกายและความสุขทางร่างกายเวลาละมันก็จะทุกข์ทรมานย์แต่มันไม่ได้เป็นโทษของการหาความสุขทางใจแต่มันเป็นโทษของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาจะเลิกยาเสพติดนี้มันจะสร้างความทุกข์ทรมาน ให้แก่ร่างกายและจิตใจชัจ้นใดเวลาเลกหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจการหาความสุขทางใจนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ทางจิทุกข์ทรมานใจแต่อย่างไดแต่เนื่องจากว่าเร า, เาติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกัน พอเราต้องเลิกหาเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ทํำยังไงได้เราเป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดเพราะเราไปติดเราไปเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดว่าเป็นอาหารอโอชะเราก็เลยไปไปตะคุบเหยือ่อพอตะคุบเหยื่อก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเวลาที่จะเอาตะขอ ที่เกี่ยวปากนี้ออกจากปากมันก็ต้องเจ็บบ้างเป็นธรรมดามันถึงมันถึงมันถึงจะเอาตะขอออกจากปากได้ฉันั้นการที่เราจะเลิกเสบนูนเสียงเก็บลดโผฏฐภะเราก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาอาจเป็นการเจ็บแบบชั่วคราวเจ็บเดี๋ยวเดียวไม่นานความเจ็บนั้นก็จะหายไปพอเราเลิกได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปแล้วเราก็จะได้ ความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่มีคุณค่ามีมีน้ําหนักมากกว่าความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมสองสองชนิดด้วย ก, กันชนิดแรกเรียกว่าสติชนิดที่สองเรียกว่าปัญญานะ สติก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิพอใจสงบเป็นสมาธิก็จะสามารถจเจริญปัญญาได้พอจเจริญปัญญาพิจารณาเห็นใจรักได้เห็นอริยสัจสี่ได้เห็นอสุภะได้ก็จะหยุดตัณหาความอยากต่างๆทำลายตัณหาตามความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือ ทำที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องมาสร้างกันให้ได้ก็คือสติและปัญญาขั้นต้นต้องเจริญสติก่อนเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วเราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้พอเราเจริญปัญญาได้เราก็จะสามารถทำลายตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจได้ทำลายได้หมดพอทาลายได้หมดใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ ใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายนั่นเองความสุขที่อยู่ในใจก็จะไม่มีวันหมดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกและใจของผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระอรหันตสาวกกันผู้ใดสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายปฏิบัติได้ ผู้นั้นก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ทาวรก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก เรียกว่าศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามแบบฉบับของพระอาหารหันตสาวกเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเ ร, เรานำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผลก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือการหนุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ผลนี้เป็นสิ่งที่เป็นอาการลิโกเหตุและผลนี้เป็นอากาลิโกคือไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาสมัยพระพุทธการมีการปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรันตสาวกก็มีการบรรลุมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสมัยปัจจุบันนี้ถ้ามีการปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรันตสาวกผลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นผลเหมือนกัน เพราเหตุกับผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ว่าจะมีเวลาผ่านไปอีกกี่หมื่นล้านแสนล้านปีเหตุและผลอันนี้ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่คนที่มาเกิดในโลกในอนาคตอีกอีกแสนล้านปีก็จะมาเจอเหตุและผลอันนี้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาตัดสรุวก็จะมาตัดสรลเรื่องของเหตุและเรื่องของผลนี้เอง เหตุก็คือการปฏิบัติผลก็คือการบรรลุการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นอากาลิโกที่ไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันเสื่อมผู้ใดสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดในอดีตการ หรือในปัจจุบันหรือในอนาคตถ้ามีการเจริญเหตุแบบเดียวกันผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาเหมือนเหมือนกันอย่างแน่นอนดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่การ เ, าเพียรปฏิบัติกันเราต้องมีความพยายามอย่างมากเพราะว่าความพยายามนี้แลยที่จะเป็นเหตุที่จะนำความสำเร็จมาให้กับเรา ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นออกออกจากกองทุกได้ด้วยความเพียรคนอื่นเพียรให้เราไม่ได้เราต้องเพียรเองดังนั้นเราจึงต้องเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมาศึกษาเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้เอาไปปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นเราก็จะได้รับมงคลอันสูงสุด คือพระนิพพานแล้วเราก็จะได้บูชาทำการบูชาคือทําการปฏิบัติบูชาได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ได้บูชาของคุณของบิดามารดาที่ให้กําเนิด ก, กับเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปช่วยบิดามารดาของเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ จากการเวียนของการเวียนว่ายตายเกิดในลำดับต่อไปเพราะเพราะว่าบิดามารดาเมื่อเห็นว่าเราได้หลุดพ้นก็จะเกิดความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นก็จะศึกษาจากเราพอเราได้สอนวิธีที่ถูกต้องพอบิดามารดานำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้หลุดพ้นเช่นเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติต่อพระ บิดามารดาของพระพุทธเจ้าและพญาติของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็นาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่บิดามารดาและญาติชนิดมิตรสหายพอเขาได้ทราบเขาก็นำเอาไปปฏิบัติตามพอเขาได้ปฏิบัติตามเขาก็ได้หลุดพ้นนี่แหละเป็นวิธีที่ถูกต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นนี้ควรจะช่วยเหลือแบบพระพุทธเจ้า ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าดีกว่าช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเป็นความการหลุดพ้นชั่วทาวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่กลับมาทุกข์ใหม่แต่ถ้าช่วยเขาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เ<ส>ขาก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปน ดังนั้นวิธีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเราก่อนเราต้องช่วยตัวเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก่อนพอเราทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราก็ไปช่วยให้คนอื่นเขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่แหละเป็นวิธีที่ช่วยเหลือที่แท้จริงว่าเป็นการช่วยเหลือที่ถาวร หลับความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะเมื่อไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการใช้วันมงคล น, นี้ให้เป็นมงคลด้วยการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชานี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ เพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุร า, าปาริปเรนติสาการังเอวเมวะอิตุทินางเปตานาังอุ ป, ปกั ป, ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพโปรเณตุสังกะปาจันททปนาระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพฟะโรโววีนัสตุมาเตภวัตะวันตาลาโยสุขีทีคายุโกภวะ พิวาธานสีฤิษะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวะทานติอายุวโนสุขังพาลา <c oughs> ต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็ขอจะจะขอยุติเรื่องถามตอบปัญหา ล, ลูกมาปฏิบัติเจา้าค่ะมีข้อคำถามที่ที่ไม่แน่ใจคือในระหว่างที่ได้มีการนั่งภาวนาออตอนแรกก็ใช้วิธีดูลมหายใจสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ เคยได้ได้ฟังคำสอนว่าให้เลื่อนลงไปที่ตรงกลางอกก็หลังจากที่พอนิ่งๆแล้วลูกก็เลื่อนความรู้สึกลงไปที่กลางอกอสักพักแล้วก็มันก็เกิดอาการเจ็บเจ็บขึ้นมากา็ตามที่ท่านอาจารย์ได้สอนก็พิจารณาความเจ็บปวดว่ามันไม่ใช่ ตัวของเราก็มองไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็เลยขึ้นมาเป็น เ, เป็นร่างกายมี เ, เหมือนมีผ่าให้ดูแต่ว่าที่ลูกไม่แน่ใจก็คือว่าการที่เ ล, เลื่อนเลื่อนเลื่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกเนี่ยมันเป็นวิธีที่มันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่ามันไม่อยู่นิ่งกับสมถะที่ลมหายใจต่อนะคะก็เลย ก็เลยมีความสงสัยพอวันลุงขึ้นก็กลับไปทาที่ลมหายใจต่อแต่มีความรู้สึกว่าถ้าใช้วิธีที่เลื่อนมาลงมาที่กลางอกและการพิจารณามันว่องไวกว่าเจ้าค่ะคือการปฏิบัติสมาธินี่เราไม่ต้องการพิ จ, จารณาาต้องการให้ใจมันนิ่งใจมันจะนิ่งจะต้องอยู่ที่จุดเดียวที่เดียวถ้าเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเห็นอะไรก็พิ จ, จารณามันก็จะไม่นิ่งปัญญามันก็ยังไม่ได้ มันกแบบ็ทำแบบเขาเรียกจับใจเอาทั้งสมาธิเอาทั้งปัญญาในที่สุดความสงบก็ไม่ได้ตัณหาความอยากก็ไม่ตายทำก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเวลาจะทำนี้มันต้องเอาเป็นเรื่องๆไปถ้าจะเอาสมาธิก็อย่าไปสนใจเรื่องปัญญาให้อยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวหรืออยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว ไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจหรือเกาะติดอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปเช่นมีความเจ็บปวดขนาดไหนก็ไม่ต้องไปพิจารณาให้อยู่กับลมหายใจไปดูมันไปหรืออยู่กับพุโทโธไปเอมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราเกาะติดอยู่กับลมหรือเกาะติดอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วเรื่องของความเจ็บมันก็จะ หายไปเองไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นดังนั้นการปฏิบัติในขั้นต้นในขั้นของการทำสมาธินี้เราต้องการความสงบเราไม่ต้องการปัญญาเราต้องการให้ใจดิ่งเข้าสู่ความสงบพอมันสงบแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปชั่วคราวแล้วเราก็จะมีกาลังที่จะใช้ใจที่สงบนี้มาจเจริญปัญญาในระดับต่อในลำดับต่อไป หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วหรือข่าวต่อไปถ้าเรานั่งเจอความเจ็บถ้าเราอยากจะแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บให้หายไปอย่างถาวรเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาความเจ็บให้เห็นว่าเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเพราะการไปยุ่งกับมันจะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าไปอยากให้มันหายใจก็เราก็จะทุกข์ ถ้าเราเฉยๆปล่อยมันไปตามความเป็นจริงของมันเราก็จะไม่ทุกขกับมันแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวมันเพราะเรารู้จักวิธีปล่อยมันเรารู้จักวิธีที่จ ะ, ะเผชิญกับมันได้อย่างสบายไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดอันนี้ก็เรียกขั้นตอนของปัญญาเวลาทาสมาธินี่ต้องอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาไปอะไรทั้งนั้น จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวจุดเดียวดูลมก็ดูที่ปลายจ ม, มูกแห่งเดียวไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องไปเปลี่ยนที่มันดีอยู่แล้วไปเปลี่ยนมันทำไมเราไม่เคยสอนให้เปลี่ยนมาปฏิบัติมาเรียนที่นี่มาไม่รู้กี่ปีแล้วอยู่ดีๆก็นึกไปเปลี่ยนเอาเองก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงเข้าใจไหมอาจารเจ้าขาเอ่อ ลูกกรับเรียนถามต่อลูกไม่ค่อยออฉลาดเจ้าค่ะคือคือเวลาที่พิจารณา เ, เวลาที่ถ้าเรานั่งนั่งนั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่มันเจ็บมันมีความรู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่าสมาธิต่อมันยากเจ้าค่ะมันมันหยุดไม่ได้มันอยากจะลุกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าพอมันไปมองว่ามันมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็น เป็นมันจะเพลินเพลินกับการพิจารณาเจ้าค่ะมันก็เลยมันก็เลยข้ามความเจ็บไปได้ได้ข้าม<ะ>ได้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ถาวรเจ้าค่ะท่านอาจารย์เมื่อกี้มานั่งก็เจ็บก็ไม่ข้ามอีกแล้วอก็อยังพิจารณาไม่ไม่ไม่ไม่เห็นอริยรรสัจสี่ไม่เห็นต้นหาของต้นเหตุของปัญหาของความทุกข์ใจก็คือความอยากหรือความกลัวความเจ็บความอยากให้ความเจ็บหายไปความกลัวความเจ็บเนี่ถ้าเราไม่ ไม่หยุดตัวนี้มันก็จะเวลาเจอความเจ็บมันก็จะทุกขึ้นมาทุกครั้งไปแต่ถ้าเราเห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเกิดจากความกลัวความเจ็บเราก็มาเปลี่ยนทัศนคติของเราใหม่ต่อไปนี้เราอย่าไปอยากให้มันหายมันเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่กัดเรามันทำลายอะไรเราไม่ได้ ตัวที่ทำลายตัวที่ทาให้เราทุกข์ไม่ใช่ตัวความเจ็บแต่ตัวความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือตัวที่กลัวความเจ็บมันถึงจะมันถึงจะไม่กลัวมันถึงจะอยู่กับความเจ็บได้ตลอดจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บต่อไปถ้ามันเห็นตัวที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นความเจ็บตตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความอยากไม่ให้ความเจ็บมันเกิดขึ้นมา ตัวนี้ตังหาที่เราต้องท่ามันให้ได้ถ้าเราข่าตัวนี้ได้แล้วเราจะไม่กลัวความเจ็บเราจะไม่ขับไล่สายส่งเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาเจ็บก็ปล่อยมันอยู่ไ ป, เ, ปเวลาปวดหัวนี่ไล่มันยังไงมันก็ไม่ไปอยู่ดีไล่ไปอยากให้มันหายมันกลับจะทุกข์ขึ้นมาทางใจถ้าไม่อยากให้มันหายมันจะไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี่มันนุนแรงร้ายกาจกว่าความเจ็บทางร่างกาย สิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือความทุกข์ทางใจไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้เรากำจัดมันไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของร่างกายมีเหตุทําให้มันเจ็บมันก็เจ็บพอเหตุที่ทําให้มันเจ็บหายไปมันก็หายไปเองแต่ความทุกข์ทางใจนี้มันเกิดจากความอยากของเราเองและเราสามารถกำจัดมันได้ด้วยปัญญาพอจะเข้าใจยัง ไปส่งไปช่วยส่งสายใหม่ไปให้ทางพิธีกรอยพิธีกรนี้ไปเที่ยวหลายวันกลับมาทํางานแล้วัง ไ, ไงไปไปสนับสนุนกิเลสดีไหมกลับไปทำบุญค่ะหลวงพอ่อทำบุญนะค่ะทำุญรับไปมีเหตุกลับพระอาจารย์ค่ะพอดีพอดีนั่งสมาธิในรูปแบบอะค่ะ จะนั่งเป็นประจําก่อนนอนนะคะทีนี้ก็จะเกิดจะเกิดสภาวะขึ้นสองอย่างคือค่ะคือบางวันก็คือนั่งแล้วก็จิตมันก็จะว่างๆนิ่งเฉยๆะคะ่ะแล้วก็บางอันนี้คือแบบที่1น่นะคะ่ะแบบที่2ก็คือบางวันก็จะเข้าได้ว่าก็คือแบบเห็นนิมิตอะคะ่ะบางทีก็เป็นนิมิตภาพอะคะ่ะแล้วก็มีนิมิตเสียงเสียงขึ้นมาในจิตในใจอย่างเงี้ยคะ่ะคือเหมือนเราถามคููบาอาจารย์หรือถามเทวดาแล้วก็ เหมือนมีนิมิตเสียงขึ้นว่าไลยไม่รู้ว่าไอ้ออันที่สองเนี่ยคือเราเราเชื่อได้ได้สักแค่ไหนคะพระอาจารย์ถ้าเราไม่มีปัญญาแยกแยะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือเป็นของเทียมเมื่อเรายังไม่ยแยกแยะไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อมันเหมือนคนเอาเอาทองมาขายให้เราถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นท อ, ทองแท้และทองเทียมก็อย่าไปซื้อมันเข้าใจไหมให้รู้เฉย หรือว่ามันมาพิจารณาให้มันเป็นตายลักไปว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่ต้องไปสนใจกับมันแล้วความจริงการนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการที่จะรับรู้ที่จะเห็นอะไรเราต้องการความว่างมากกว่าแต่บางทีมันก็อาจจะมีสิ่งต่างๆมาปรากฏให้เรารับรู้ได้เราก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็อย่าไปสนใจมันเราก็พุโทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจมันก็จะไม่เป็นปัญหา ถ้าเราไปไ ป, ไปสนใจมันเราก็อาจจะถูกมันหลอกได้หรืออาจจะทำให้ใจเราไม่ว่างไม่นิ่งไม่สงบได้ดังนั้นอย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะ่ะดีที่สุดเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับการทําสมาธิเราทําสมาธิเพื่อต้องการใจให้นิ่งให้สงบให้สบายแต่ถ้าเราไปยุ่งกับนิมิตเดี๋ยวไปเจอนิมิต ท, ที่ทําให้เรากลัวขึ้นมาก็จะไม่การนั่งสมาธิต่อไปก็ได้ดังนั้นวิธีปฏิบัติกับนิมิตก็คืออย่าไปสนใจ ให้สนใจอยู่กับการภาวนาของเราเราดูลมก็ดูลมต่อไปพุโทโธก็พุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มันปรากฏมันก็จะหายไปเงเราไม่ต้องมารู้ว่ามันเป็นของจริงของแท้หรือของเทียมไม่สำคัญนิมิตไม่สามารถดับความทุกข์ใจเราได้แต่ความสงบนี้ดับความทุกข์ของใจเราได้ชั่วคราว วัเดเจริญธรรมพระอาจารย์เรื่องศินแปดนะคะ่ะพอดีในวันพระบางบางวันนะคะก็คือจะถือสินแปดแต่ว่าแต่ว่าปกติทํางานก็จะเลิกประมาณเที่ยงครึ่งอะคะ่ะก็เลยไม่ทราบว่าถ้าเรารับประทานอาหารตอนเที่ยงครึ่งเนี้ยเราจะผิดศีลได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ผิดด้วยเจตนาไม่ได้ผิดด้วยตัณหาความอยากมันมันผิดเพราะว่ามันอยู่ในภาวะจำยอมต้อง ต้องทางานตอนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอีกครื่งชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งนี้ไม่เป็นปัญหาเป้าหมายของการไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันเพื่อจะได้ไม่ทําให้ร่างกายมันง่วงนอนแล้วก็ทาให้มันเกียดคร้านเพราะเวลากินมากๆหนังท้องตึงหนังตามันจะหย่อนดันั้นก็ต้องให้กินน้อยๆเวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่สับประโค ดังนั้นถ้ามันมาช้าหน่อยช้าสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตราบใดที่เรายังไม่รับประทานอาหารแล้วก็ในช่วงกลางคืนนะคะมันเกิดความหิวหิวแล้วก็ทําให้เกิดทุกข์อะค่ะวันมันที่ถือศีลแปดทีนี้เราก็พี่นณาว่าเอ๊ะทุกข์มันจะดับไปได้ยังไงถ้าเราไม่กินค่ะอันนี้ก็มันก็ไม่ดับสักทีค่ะว่าทุกข์มันไม่ได้เกิดจากกินหรือไม่กินก็จะนะทุกข์มันเกิดจากการอยากกิน พออยากกินบ้ามันหิวขึ้นมาทันทีเลยต่อให้กินอิ่มๆเนี่ยเดี๋ยวพอนึกถึงอะไรขึ้นมาก็อยากจะกินขึ้นใหมก่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเฉนั้นเราต้องไปดับที่ความอยากไม่ใช่ไปดับที่การกินอาหารกินเท่าไหร่นอกจนกระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มมันก็ยังอยากอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่กับการกินนะเข้าใจหมเพราะฉะนั้นตัวที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่การที่ไม่ได้กินแต่ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากกิน วิธีที่จะหยุดความอยากกินเวลามันอยากก็พุทโธพุทโธไปเวลานั่งนึกขึ้นมานั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปพอลืมความอยากความทุกข์ก็จะหายไปอาจาใจไหมที่เราที่เราไม่กินข้าวเย็นเพื่อให้มันเกิดความอยากกินขึ้นมาแล้วเราจะได้ใช้สมาธิเป็นเครื่องดับมันดับตัวที่มันทําให้เราทุกข์คือความอยากแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความความความหิวของอาหาร ร่างกายมันไม่ตายหรอกอดไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวสว่างก็ได้กินแล้วแต่ใจมันหิวมันอยากมันเลยทุกขขึ้นมาเราต้องการดับตัวนี้ต่างหากถ้าเราดับตัวนี้ได้ต่อไปแล้วอดข้าวเป็นวันๆเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราดับตัวความทุกข์ใจได้ตัวความหิวของร่างกายนี้มันไม่ทรมานเหมือนกับความความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากกินพระพุทธเจ้าอดข้าวได้ตั้งสี่สิบเก้าวันแคเดียว ท่านอดยังไงเพราะท่านท่านหยุดความอยากด้วยสมาธิได้เวลาเกิดความอยากกินก็เข้าไปนั่งในสมาธิเพราะอยู่ในสมาธิความอยากกินก็หายไปความอิ่มใจก็โผล่ขึ้นมามันเลยไม่รู้สึกหิวเข้าใจไหมอขอคําถามสุดท้ายค่ะอาจารคือคือหลังจากที่ทํากรรมฐานหรือนั่งสมาธิเนี้ค่ะก็บางครั้งอะค่ะหนูแขวนสร้อยพลา่ะค่ะ แล้วทีนี้ในในในพระบางองค์อะค่ะรู้จะรู้สึกแน่นหน้าอกมากอะค่ะเวลาแขวนทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะควรจะแขวนต่ อ, อ, อหรือว่า<ม>เราควรต้องยังไงพระนี่ควรจะไปตั้งไว้ในหิ้งบูชาจะดีกว่าไม่ต้องมาแขวนคอให้มันหนักคอเราเรอก <c oughs> เพราะว่าพระไม่สามารถมาปกป้องคุ้มครองเราได้หรอกพระแท้ไม่ใช่เป็นพระที่เราห้อยที่อยู่ในคอที่คอเราพระแท้คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือตัวพระแท้อยู่ตรงนั้นเมื่อเรามีการปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องมีการห้อยห้อยห้อยพระที่คอเราละย้ายที่ไปตั้งไว้ที่หิ่งหิ่งพระที่ไหนหรือไม่ตงตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาขอเราจะได้เบาจะได้สบายเพราะเรามีพระที่แท้จริงแล้วคนที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องใช้พระเทียมไปก่อน คือพระที่ห้อยอยู่บนคอเพื่อจะเตือนให้เราคิดดีพูดดีทําดีอแต่ถ้าเรากําลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เราก็ไม่ต้องอาศัยพระเทียมมามาสอนมาเตือนเราแล้วอ่นไม่ต้องใช้พระแล้วคนที่มาบวชนี้เขาไม่มีใครห้อยพระกันแล้วเพราะว่าเขาใช้พระแท้ก็คือพระการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่แท้จริงไม่ต้องกังวลเรื่องพระถอดไปได้แล้ว Yeah. Mm hmm. คำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลังจากฟังเทศก็พยายามปฏิบัติตามไม่ทำตามความอยากต่างๆเช่นไม่ดูหนังไปเที่ยวไม่ติดเพื่อนทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็พอทำได้ค่ะแต่ก็มีความรู้สึกเหงาว้าเวจิตตกในบางวันเวลาที่มาวัดก็มีความสุข กลับจากวัดเจอปัญหาก็เศร้าเหมือนเดิมที่พยายามทาอยู่นั้นตึงเกินไปไหมคะเราควร่อนบ้างเพราะสมาธิเรายังไม่แน่นหรือเราควรพยายามทำอย่างไรต่อไปดีคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้คะ่ะสิ่งที่เราขาดก็คือสติที่จะคอยควบคุมใจของเราให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆแล้วเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆ พอเป็ไม่ได้ก็จะเกิดความรู้สึกเหงาว่าเวัยขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆความเหงาความว่าเวัยนั้นก็จะไม่เกิดดังนั้นสิ่งที่กําลังขาดอยู่ตอนนี้ก็คือสติควรจเจริญสติให้มากอย่าปล่อยให้ใจมีช่องว่างไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเวลาคิดเราก็จะรู้สึกเหงาว่าเวัยขึ้นมาทันที อย่างหลวงตาท่านเคยเล่าว่าท่านเคยไปภาวนาแล้วพอดีอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านพอดีช่วงนั้นรองเคินก็มีงานเลี้ยงร้องลัมทาเพลงกันท่านนั่งภาวนานั่งไปแล้วก็ภาวนาไม่ไม่ได้พอได้ยินเสียงร้องลัมทาเพลงก็เกิดความเหงาว่าเวตามมาท่านก็คิดว่าเอ้เรามานั่งอยู่คนเดียวทําไมทําไมไม่ไปนสนุกสนานกับเขาบ้างแต่พอดีปัญญาของท่านก็ย้อนกลับมาว่าไปแล้วมันได้อะไร มันก็ได้ความสุขชั่วประเดียวประดาเดียเด๋ยวพวกนี้มันก็หายไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปร้องนำทำเพลงต้องนำทำเพลงกันใหม่อยู่เรื่อยๆนี่เรามาเพื่อมาหาความสุขที่แท้จริงเราทำไมไม่มาทำหน้าที่ของเราพอท่านได้ได้สติท่านก็กลับมาภาวนาพุโทโธพุโทโธทัานต่อพอจิตสงบความรู้สึกเหงาว้าวมันก็หายไปคาถามจากคุณโออุ้มเวลาตื่นนอนตอนเช้า ก่อนจะลุกขึ้นจะขยับตัวก็ให้รู้สึกตัวการรู้สึกตัวเพื่อไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกแซงสติแต่มักจะเห็นความคิดที่มากำกับอยู่ด้วยเมื่อรู้ว่ามีความคิดก็ทิ้งความคิดมามารู้สึกตัวเฉยเฉยไม่ปรุงแต่งทำง่ายง่ายเช่นนี้ถูกไหมคะคือถ้าเราใช้การดูร่างกายของเรา ยังไม่สามารถหยุดความคิดปุุงแต่งได้แสดงว่าสติเรามีกำลังไม่มากพอเราไม่ควรใช้วิธีนี้เราควรใช้วิธีบริกรรมพุทโธพุทโธจะดีกว่าพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจเลยไม่ว่าเรากำลังจะไปทำอะไรก็ตามพุทโธพุทโธไปกากับควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วความคิดต่างๆมันจะแทรกเข้ามาได้ยากกว่า ถ้าเราดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในโอกาสที่ความคิดปัญญโสขึ้นมานี้มีมากกว่าดังนั้นถ้าสติเรายังไม่มีกำลังแ ก, ก่กล้าพอเราก็เราเวลาเราดูร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วมีความคิดโผล่ขึ้นมารบกวนใจเราเราก็ควรใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะช่วยทำให้ความคิดนั้นมันเบาลงไปและน้อยลงไปได้ คำถามจากคุณใหม่ใจคนรุ่มร้อนดังไฟเผาใจให้คอยคุกกุ่นคอยลุกในใจเป็นระยะระยะแต่หากไฟในใจได้มอดไหมเป็นเท่าฐานหรือขี้เท่าแล้วเชื้อไฟย่อมดับมอดไปหมดแล้วจะเกิดเป็นไฟเผาในใจตนย่อมไม่ได้อีกต่อไปจะจบกันไปเป็นบางตัวหรือทั้งหมดคะก็แล้วแต่ว่าเราทําลายเชื้อไฟได้หมดหรือไม่หมด เชื้อไฟมันก็มีสามตัวกามาตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาถ้าเราทำลายมันได้หมดไฟมันก็จะหมดถ้ายังไม่หมดมันก็ยังเหลืออยู่การปฏิบัติมันก็ต้องเป็นไปเป็นส่วนๆไปเป็นสี่ระดับด้วยกันระดับของป้าโสดาบันก็ระดับเชื้อไฟได้บางส่วนแต่ยังเหลืออยู่ระดับที่สองก็เชื้อไฟก็น้อยลงไประดับที่สามก็น้อยลงไป ระดับที่สีระดับพาาาระอรหันต์ก็หมดเลยเชื้อไฟถูกทำลายหมดเลยคำถามจากผู้ฝากถามจะอธิบายอย่างไรให้คนที่บอกว่าไม่มีศาสนาไม่เชื่อกรรมให้เข้าใจและเกิดศรัทธายิ่งขึ้นเนื่องจากเคยคลุกคลีกับการทำบุญและเข้าวัดของครอบครัวเมื่อตอนเป็นเด็กแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้คลายความเลื่อมใสไปโดยสิ้นเชิงไปเชื่อความคิดของนักวิชาการและแนวความคิดใหม่ๆ ใ, ในปัจจุบันค่ะก็ต้องปล่อยก็ไปตามบุญตามกรรมของเขาแหละถ้าเขาไม่เชื่อเราจะไปบังคับเขาได้อย่างไรหมดนี่ก็ดีใช่ไหมถ้าเขาไม่เชื่อเราจะไปทำยังไงก็ได้ถ้าเขาไม่เชื่อส่วสิ่งที่เรา สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่เป็นความจริงเพราะเขาไม่สามารถมองหรือพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเขาเองอันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกับเราจะให้เงินเขาก็าไม่ยินดีรับเรายังจะไปญาติเยีให้เขาหเปล่าเอาไปซืเอาไปซื้เอเขาไ ม, เาไมเา่เอาไม่เอาเอาไม่เอาเราก็เก็บไว้เอาไปให้คนอื่นดีกว่าเอาไปให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่า ก, การนัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามคําถามค่ะเวลาเรามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าเป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ตกอะค่ะมันก็เกิดจากการกระทําของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็วนเวียนคิดอยู่ทุกวันทุกวันเวลาเรามีสติคิดขึ้นมาได้เราก็วางมันได้พักหนึ่งพอหลังจากตื่นขึ้นมาตอนเช้าสิ่งแรกที่เราจะนึกเราก็จะนึกถึงปัญหาที่เกิดกับตัวเราพอเราเรามาพิจารณาปัญหา เราก็จะวางมันได้พ okay. pues nee> ักหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนกับกินยาเวลาไม่สบายเราก็ต้องกินยาจากใดที่ยังไม่สบายเราก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆอย่าหยุดกินยาพยายามพิจารณาให้มันถูกทางของปัญญาคือพิจารณาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองแล้วความอยากของเรามันก็ไปมันไม่ตรงกับความความจริง เราอยากให้สินต่างๆถาวรแต่มันไม่ถาวรเราอยากให้สิน่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทางที่เราจะแก้ è, ก็คือเราต้องเปลี่ยนใจของเราให้เข้ากับความจรงิงต้องยอมรับความไม่ถาวรความไม่แน่นอนของสินต่างๆต้องยอมรับของการสิ้นสุดของสินต่างๆที่จะต้องมีวันเกิดขึ้นสักวันหนึ่งต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะไป สั่งไปบังคับให้สิ่งต Lang ่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราได้นี่คือสิ่งที่เราขาดเรามองไม่เห็นเรายังอยากจะให้เป็นตามความต้องการของเราอยู่ยังอยากให้สิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบมันดีมันอยู่กับเราเหมือนเดิมอยู่ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้พอมันไม่เป็นไปตามความอยากเราก็จะทุกข์แล้วเราก็พยายามจะอยู่ไปแก้ให้มันเป็นไปตามความอยากซึ่งแก้บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้ แก้ได้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้อีกงั้นสู้เรามามาเปลี่ยนใจเราดีกว่ามายอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมีเกิดมีเกิดมีดับมีมามีไปมันจะมาก็ให้มันมามันจะไปกใกล้มันไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีแก้ที่ถูกทางแก้ที่ใจเราอย่าไปแก้สิ่งที่เราอยากเพราะสิ่งที่เราอยากแก้ให้มันเป็นอย่างนี้ บางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แก้ได้วันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นไปอย่างหนึ่งก็ได้ก็ต้องคอยมาแก้อยู่เรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็ต้องเราก็ต้องเจอความทุกข์ไปเจอปัญหาไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลามันเป็นก็ให้มันเป็นไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องมามีปัญหากับมันวิธีที่ดีที่สุดก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมี ถ้ามีแล้วมันก็กทุกข์ถ้าไม่มีมันก็จะไม่ทุกข์เช่นมีแฟนมันก็ต้องทุกข uh ์กับแฟนใช่ไหมพอไม่มีแฟนมันก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนเหอเห็นถ้าปัญหาของเราอยู่ที่แฟนก็อย่าไปมีแฟนซะอยู่คนเดียวแล้วมันก็จะไม่มีวันทุกข์กับเรื่องของแฟนอีกต่อไปหรือถ้ามีก็ต้องทำใจเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นปัญหาขึ้นมา นี่คือวิธีแก้ที่แก้ได้อย่างถาวร อ, อยู่ที่ว่าเราอยอมรับความจริงหรือไม่อยอมรับความจริงของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่เข้าใจไหมค่ ะ, คะเข้าใจค่ะขอรบกวนอีกหนึ่งคำถามค่ะอย่างปกติเวลาภาวนานะคะเราเคยชินกับการภาวนายุบหนอพองหนอเอาจิตกำหนดไว้ที่วินปีลมหายใจเข้าออกที่ท้องพอต่อมานเนี่ยอยากจะภาวนาแบบพุทโธ ตอนนี้ก็จะสับสนว่าจะกำหนดลมหายใจจะดูที่ลมหายใจหรือว่าดูตรงไหนแล้วจิตมันก็เหมือนกับแกว่งไปแกว่งมานะคะคือถ้าวิธีที่เราทำอยู่ใช้ได้เราก็ใช้ไปวิธีที่เราถูกกับเราหรือถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องถ้าใช้พุทโธนี้เราไม่ต้องใช้ลมกำกับถ้าใช้พุทโธก็ให้เราเลิอกอยู่กับคาพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องลม อันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแต่บางคนเขาชอบลมด้วยชอบพุทโธด้วยเขาก็เลยมาผสมกันอันนี้ก็ได้ถ้าเขาทาแล้วทําให้ใจสงบก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีแต่และ ว, วิธีนี้มันอาจจะเหมาะกับคนนั้นคนนี้แต่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ดังนั้นเราควรที่จะดูวิธีไหนที่มันเหมาะที่ทําให้เราได้รับผลจากวิธีนั้นเราก็เอาวิธีนั้นจะดีกว่าพอพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสอนสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ นานปานสติก็ดูลมหายใจเข้าออกพุทธานุสติก็ระลึกถึงพุทโธพุทโธบางคนก็ขอผสมเอาทั้งสองอย่างรักพี่เสียดายน้องก็เลยเอาทั้งลมเอาทั้งพุทโธก็เลยเอาพุทเข้าโธออกอันนี้ถ้าได้ถ้าทำน้อใจสงบก็ได้เหมือนกันนะอย่าไปต้องไปตามต้องตามกันทุกวิถีทางไม่ใช่อย่างนั้นวิธีไหนที่ทำให้ใจของเราสงบเราวิธีนั้นก็แล้วกัน คำถามนะคะขอบคุณค่ะกราบน้ัพสการพระอาจารย์โยธาคัมย ม, มปฏิมากราบเรียนพระอาจารย์ครั้งสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ตอบว่าหินทับยากะโยมที่โยมว่าเวลาโยมอยู่วัดและโยมปฏิบัติได้ไ ด, ดีแต่ทําไมกลับไปบ้านแล้วไม่ดีที น, นี้โยมก็เลยไปอ่านหนังสือที่พระอาจารย์แจกคราวที่แล้วโยมก็เลยเกิดความรู้สึกอยากจะถามว่า ศรัทธาในตัวโยมกับพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมถือว่าโยมมีค่อนข้างสูงแล้วก็ฉันท่าความพอใจก็สูงแต่ทําไมวิริยะของโยมเนี่ยถึงมีกิเลส ม, มาพยายามดึงไ ม, ไม่ให้โยมคือกลับไปโยมมีความคิดว่าโยมจะไม่เอาให้เห็นมาทับย่าอีกแล้วแล้วยมจะปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิแบบด้วยธรรมชาติด้วยอาศัยเหมือนกับว่า ความพอใจศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าในศานสศานสาเนจะทำให้โยมนั่งสมาธิได้ดีอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่ปรากฏว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำไม่ได้อย่างที่ตั้งหวังไว้โยมเลยต้องกลับมากราบพระอาจารย์อีกครั้งว่าจะให้แนวทางยังไงให้โ ย, ยมได้กลับไปโดยที่ไม่ต้องอาศัยวัดเป็นเครื่องมือในการนั่งสมาธิของเราอะคะ่ะไม่ทราบอาจารย์เข้าใจคาถามไหคะ ไม่อาศัยวัดหมายถึงว่าขอให้ปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติได้ที่บ้านนะค่ะที่นี้มันที่บ้านกับที่วัดมันมีมีความแตกต่างกันในปัจจัยของการเอื้อของของการปฏิบัติถ้าอยู่ที่บ้านนี้ปัจจัยที่จะขวางการปฏิบัติของเรานี่มันมีมากปัจจัยที่จะส่งเสริมมันมีน้อยส่วนถ้าเรามาอยู่ที่วัดนี้ปัจจัยที่จะขวางมันมีน้อยปัจจัยที่จะส่งเสริมมันมีมากกว่า ดังนั้นเป็ น, เ, ปนเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติที่เราจําเป็นที่จะต้องหาสถานที่ที่มันเอื้อมากกว่าที่มันขัดขวางการปฏิบัติของเราเ <c oughs> นี่ยเราอย่าไปยึดติดกับสถานที่ว่าจะไม่ต้อ ง, ม, องมาวัดจะให้อยู่ที่บ้านนี่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วมันสามารถปฏิบัติได้ก็ดีก็อย <c oughs> ู่ไปแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ <c oughs> ไไดก็ต้องหาสถานที่ที่เราปฏิบัติได้ผลอาจจะไม่ต้องเป็นวัดก็ได้อาจจะไปไปหา ไปเช่าคอนโดห้พักอยู่คนเดียวไม่มีใครมาวุ่นวายกับเรามายุ่งกับเราเราสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิของเราอยู่ในในพบ้านพักของเราได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็เป็นสถานที่ปฏิบัติได้ปัญหามันก็คือมันเรามีเรื่องราวต่างๆมาคอยกีดขวางการบำเพ็ญของเราเรียบเหมือนกับการขับรถระหว่างการขึ้นทางด่วนกับการอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยมันต่างกัน ถ้ายังติดอยู่ใต้ทางด่วนมันก็ต้องเจอสี่แยกไฟแดงเจอรถลาที่มากมายที่วิ่งสวนทางกันมันก็ทำให้ต้องมีการจอดมีการหยุดแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนได้นี่มันก็วิ่งไปทางเดียวกันแล้วก็วิ่งได้อย่างต่อเนื่องไม่มีไม่มีถนนมาขวางทางวิ่งของเราดังนั้นการปฏิบัติของเราก็เป็นลอกสองลักษณะว่าเรายังอยู่เราขึ้นทางด่วนได้ทุกอย่าง เร่องเายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ถ้าเราอยู่ใต้ทางด่วนเราก็ต้องพยายามหาวิธีขึ้นทางด่วนให้ได้คนที่อยู่ใต้ทางด่วนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เป็นผู้คองเรือนคาราว่าพวกคองเรือนผู้ที่ยังมีภา ร, ร ก, กิจการงานต่างๆด้วยยังดูปากท้องของตนเองและครอบครัวอันนี้ก็เรียกว่ามันยังติดอยู่กับใต้ตดอยู่กับตามสี่แยกไฟแดงต่างๆ สาหรับผู้ที่ออกบวชได้นี่ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานต่างๆที่จะมาคอยขัดขวางการบําเพ็ญการปฏิบัติก็เหมือนกับการได้ขึ้นทางด่วนดังนั้นคนที่เขาปรารถนาผลจากการปฏิบัติเขามักจะออกบวชกันและมักจะบรรลุ ก, กันในในข้าวของนักบวชหรืออยู่หรืออยู่แบบนักบวชปฏิบัติแบบนักบวชถ้ายังอยู่แบบผู้คลองเรือนอยู่นี่โอกาสที่จะบรรลุผลนี่ยากมาก นอกจากมีบุญเก่าบารมีเก่าที่ได้ทำมาเยอะสามารถที่จะปฏิบัติในในสภาพของคารวาดได้ซึ่งมีน้อยคนเทอค่ะเมื่อที่โยมโยมในในสองสัปดาห์หลังสงกราที่มากราบพระอาจารย์โยมมีความรู้สึกบางครั้งเกิดความรู้สึกเหมือนเบือ่อ ไม่มันไม่ใช่เบื่อแบบมันบอกไม่ถูกคะมันกับว่าเออทำไมเราไม่วางพวกนี้ทั้งหมดแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับความรู้สึกมันมาตีกันแล้วมันเลยเป็นจะเรียกว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าโยมก็ไม่ร ดังนั้นเราต้องหมั่นพยายามสร้างกําลังของธรรมให้มีมากขึ้นด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วหมั่นศึกหมั่นปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้หมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราให้น้อยลงไปอย่าให้มันคิดมากเพราะความคิดปรุงแต่งของเราตอนนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาทาั้ง น, นั้นเราต้องหยุดเครื่องมือของกิเลสตัณหาด้วยการจเจริญสติอยู่เรื่อยๆจ้าค่ะ